Book 2 <100 S> 1หนึ่งรยยันฮันเดิวิเศษบายวูดเ e เคยยังไม่เคยร i เอตส์นุกนูดคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Was ใช่เรียกสินเบอร์ลินเขวีไม่ยังไม่เคยเลยค่ะเนี่ยนกนูดนี่ใครไม่มีใครอิมันต์นี่มันคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะเคยย้า iemand hier? ไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะเนียแอคกินนิมันนีอีกนิดอีกไม่นาน น, น, นุชน i กสเมียร์นคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมปลายยิ้มนุลองกีร์ไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะ เนี่ยฉัน e e l l ย n g uh ja e r n i ว่ลนี่อะไรอีกไม่อีกแล้วนอกจากนี้คุณอยากดื่มอะไรอีกไหมว่ายิ่งนอกจากไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะเนี่ย ฉ k wil niks meer h ์เฮนอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยเอาอิทส n นุกเน็กคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมเฮตเอาอิทส์เ e t ไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะเนีย มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วไม่มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะนม่ไม่มีใครอีกแล้วค่